สันทิษที่โกในทาของพุทธศาสนาก็ไม้อภัสสรดาบันเนี่เป็นต้นไปสีไม้เอาปูดุส้นค่นน้ำเป็นต้นไปมันกับฝันเฟื่อมากแล้าถ้ามันพวกนี้ฝาคเจ้ากาวดีแล้วสุขาโตพระวตาธโมบุคคลผู้บรรลุกก็ต้องเห็นเองก็ไม้อภัสสรฟสงดาบันเนี่ยพระทวดาวันเป็นต้นไปเนี่ยสันทิษที่โกก็ดีอาการที่โกก็ดีเฮ้ยพัจยัดต่างก็นีเอฮิบติโกล่องเรียกให้มาดูได้ ก็ลองเรียกพระสวัสดิบาลนะมาดูลองเรียกคนตาบอดมาดูมันจะรู้ได้บ่ลองเรียกคนตาบอดถ้ามาสนเข็มมึงรู้มันจะได้บ่บอกสั่นว่าก็ลองเรียกอผู้พ่อที่สวนเข็มได้พลนจงรลองเรียกว่าเบิ้งทำได้ในในไต่โลกธาตมัทธรทรัพย์ไม่สร้างพุทธศาสนาดอกทรัพย์ในทางพุทธศาสนาเป็นโรคพุทรลทัพย์สักกักนี่แหะเพมันโลคกี่เลย อย่งนั้นอามีโร ก, กี่มาปนเปกเอาศาสนาอื่นมาผลเปกเอ๊มันก็ไม่ได้ตัวเอาผ้าพระเถ้เากขาผ้าลูกเขยมามาไว้บนเดียวกันเอาเตียงพระเถ้เากับเตียงลูกเขยมานั่งเฮียงกันอื hmm. อาดเอื้อมในตําสูงศาสนาอื่นเอามาปนเปกศาสนาพุทธศาสนาพุทธนับแต่สุพจิปันโนเป็นต้นไปเป็นต้นของพระพุทธศาสน า, ศาเป็นพ่อแม่จันเบื้องต้นในพระมัชฌาและพูดมีอยู่แล้วยืนยันเป็นยังตาปันนะัง ยืน ย, ย, นยนนันืนยันคักปานย้ังนมหาปณิญญาพานสูตรสุภะตะกาวทวนพระองค์เจ้าผู้บวชต่อแก่บวชในวันนั้นก็สํำเร็จพระนัน์ในวันนั้นเป็นสาวกุดถทายเป็นเป็นพระชิมาสาวกปฐมมาสาวกคือพระกนทัตยะจะสศาสตร์กรเคยเป็นพี่เข้องกันน้องส่วนทําบุญพี่ชายมาจากจังหวักุง อ, อยัางนี้ทําน ถ้าบุญ่านเขาเก่าครับพละเขาคนเลาคนล่าพูดละคูยจัมสิทานนะสันหมแล้วอ้้่านเขาเป็นน้น่อคากัมเท่านเขาพ่อฟอนพ่อเกี้ยวคากัมท่านพ่อเมาคาจัมิท่านจนเป็นฟอนจนดูในล่าขากัมเท่านไปเป็นรําดับรําับไปจนถึงออกออกคนเรามัวแล้วเขาเอาเขาเราพูละเขาจัมเิทานนันแล้วก็ตกลงอะไรมาสาเร็จพระลหันรุ่นนองทัศน์ล้ยพันี์ ส่วนพิซ่กับพระกนทัญญาเนี่เคยเป็นพิซ่าไสศาสตร์กร嘛พระกนทัญญาปฐมมัสาวกก็ได้สําเร็จพระรอรหันตกรชวนภูเขาขึ้นเล่าแล้วกูยังที่ท่านนะจ๊ก็มาสําเร็จผื้พระอรหันตพระพุทธเจ้าใกล้กัเขาสิเ ข, ขาสซพระยาผ่านนะเมือนั้นด่ะผลทิ้งผลท่านนี่ยจะไปว่านเนอะหลวงปู่มหาเคยถามเขาเหมือนกันตัวสิท่า น, นยังตัวขึ้นได้จักเทียร่างเทียกสองสามเทียกผมใด้เขน่อยว่าหลวงปู่มหา ข้เน่ยแเดียวได้ผึ้งหลดว่าสั <laughs> ่งพล่านแล้วเพราะผมมีอันนี้สองลายนะมือโตมาสั่งจับระว่างจับระว่างมาสั่งพ <laughs> ล่าน้วนื้อนางกัภาคการจินตามท่านนี้นางก็ไม่แล้วห้องไทยก็ไม่เลยภาคการหัวจักบ้านหลองไทยพวกเราไมออกหนะ่ขอยก็การท ะ, ะอยู่ว่าเกิดโรคต้องทีเตียงไม่รู้จักอายน่อนคำร่างปัญญาอะ ชนะความคัดของอันเดียวกันครับโลกมนุษย์กับคัดของสำโลกมนุษย์โลกคัดทิฏฐิชานกับ ค, คัดของสำโลกคัดทิฏฐจชานมนุษย์โลกคัดโลกโลกขึ่นมูซัดมูซัดนับเขามระหกนับพวกมระหกก็ น, นับเขามูซัดพวกนั้นเป็นโลกที่เลือดร้อนหลายกโมยพวกเนรโลกพวกทิฏฐิชานกับอย่างว่าเนรโลกขึ้กัน จ้าหเบาเขากันนีพวกมนุษย์ก็เรียกว่าหน้ารกคือกันเจ้าแงเบาเขากันนีพวกเทวดาก็โลกหน้ารกคือกันเจ้าแงเบาเขากันพวมนุษย์ไปอีกเทวดาที่เป็นโลกขีดกระดีไปพวมนุษย์ได้สักน้อยมนุษย์แบ่งออกเป็นสองมนุษย์ที่เป็นโลกขีมนุษย์ที่เป็นโลกขีก็แบ่งออกเป็นเป็นหลายจำพวกจำพวกที่ยิดใจเป็นมนุษย์ที่ร่างกายเอ่อยึดใจเป็นมนุษย์ ร่างกายเป็นมนุษย์จำพวะนั้นจำพวกนั้นคิดใจเป็นมนุษย์ร่างกายเป็นมนุษย์คิดใจเป็นสัจจิริศาร์จำพวกนัอนร่างกายเป็นมนุษย์จิดใจเป็นเผศเป็นผีนี่จะมีผลลัพธ์ต่างกันจำพวกที่เป็นมนุษย์เต็มพุ่มนับจะพระสวัสดิวันเป็นต้นไปจำพวก็นเทวดาเต็มพุ่มก็นับจะพรสวัสดิวันเป็นต้นไป จำพวกก็ได้พมเต็มภูมิกานับแจสันพระสวาวันเป็นต้นไปสอนพมของพรอาราคามีเป็นพมเนี้ยนะทรับทางรายเดียดถอนตามส่วนคววน้าของเหตุของกระฮ้องที่สามขืนไปจำตัวของใครของมันอยู่ทุกไอเิยบดของกิดของไก่อยบดกายนี่ยบสำคัญอเียบอีย บ, อยบของไก่สาคัญผู้ได้ปฏิบัติศิลธรรมสันตม ประทุกเหยียบย่ำหลายเหยียบย่ำห้อใจเพื่อปฏิบัติที่ถําสันสูงทุกทั้งหลายก็เหยียบย่ำห้อยใจหลายค่อยปวดเบาไปนั่งมันปวดเองมันมันเบาเองมันกำและปวดเขากำไปเง่าตามตัวไปตามใจไปเง่าตามตัวห้ามเหมือนเหมือนที่เราเห็นชวนห้ามใจไละเอียบไปก็อนอันดีมื่อก็ะซ่างแจ้งก็ตามมันนําไปอยู่เดี๋ยวเขาพนเขากรรมคนของคิดของใจ แม่ตจโลกธาตุเนี่พระพุทธเจ้าจงจัดเป็นกองทุกข์ก็เกิดเพราะพระพุทธเจ้าจัดเป็นกองทุกข์เพราะพรทพุทธเจ้าเจ็บประสบการณ์หนมดคนทุกข์คนจนเป็นทรัพย์ที่ได้ช้านจกมรรกระกียังประสบการณหามดแล้วเรื่องสืเวมจากมรหกกับประสบการณมาเรื่องเป็นพระสวสดาบาลกับประสบการณมาเรื่องจะเป็นพระสักทาค้ามีกับประสบการมาเรื่องเป็นพระนาคข้ามีกัประสบการมา ตั้ก็ไอไปเป็นเสรยฐกระทุยข่าที่ศาเป็นคนทุกข์คนจนาสเป็นผู้เป็นปลาเป็นนกนกปูปีกยังประสบากมืเมาสมาสรูปว่าทัพยทัพพหลอกข้างปวงสังขารปรมารถกขาสังขารท้งหลายโลกท้งร้ายเป็นทุกข์ย่างยิงควบเกิดท้งหลายเป็นทุกข์ย่างยิงควบแก้ท้ง้ายเป็นทุกข์ย่างยิงควเก็บท้ง้ายเป็นทุกข์ย่างยิงคนตายท้งห้ายที่ประปันา ก็เป็นทุกข์ย่างยิ่งสมปรัชนาเนี่ยมากินโยพัดภาคไปก็เป็นทุกข์ย่างยิ่งโดยจะคั่วไรลงว่าไรลงว่าไรลงมาก็ไม่ทราบนี่แหละเป็นทุกข์ก็ไม่ขันทัศทุกข์นี่แหละขัน ท, ทัศน์ก็คื อ, อดอนะ้ำหงายลอยๆไม่ดินนามไวยลมมีเวชนาสั้ญาสังขารเวชญาตไม่ดินนามควายลม้มก็รับจะผมขนเลี้ยฟันไปจนถึงเหนือ อกระดูกเยอะเนี่ยกระดูกมากหัวใจท่าป้องผื่นใจปอดใจแย่ใจลอยอาหารไม่อาหารเก่าอันนี้เป็นลูกขันเป็นลูกปโลกเป็นลูกปลาถ้ำเป็นลูกปลาทับชวนน้ำดีน้ำเสดิษน้องเลือดเนื้อมันขุนน้ำตาเปลี่ยวมันน้ร่าน้ำมูกน้าไข้ออันมูดที่ขังก็ไี่คนร่ากายเขาที่นี่มีคนว่าเป็นธาตุน้าเพราะมันเป็นที่ซึมซาบเป็น ธาตดินถึงของแข็งที่ว่ามาเรีนะ่บร้อยธาตไฟได้ที่ร่างกายอบอุน่ไนได้ที่ร่างกายซุดส้งได้ที่ร่างกายแขวนกระวายได้ที่เพระอาหารให้ย่อยนี่ชอบเป็นธาตไฟร่วมพัดเคื่นบังบุญร่มมหาวร่วมเริร่วมอวกร่มไอร่มจามร่มพัดร่มบตักจำ ร่มเบงไทยอุจฉลาออกเบงไทยปัทละออกหรออกือผายร่มออกร่มในท้องนอก ไ, ไส่ร่มแน่ใส่ร่มพัดปลาตามตัวร่มหายจะเคาะร่มหาจะออกมีชัดเป็นท่ามร่มไฟที่ย่างกายให้อบอุน่นไฟที่ย่างกายให้กระว่ากระวายไฟย่างกายสีให้ซุบส้มไฟหัดย่างกายให้เผาอาหารให้ย่อย เป็นไฟซีร่มหกมาเล่มของกันทั้งดรีนหน้ามันเป็นก้อนเป็นท้อนเขาไงทั้งไฟทั้งร่มเั็นก้อนเป็นท่อนเขาเข า, เเเเขาว่าซัดเราพวกอนว่าต่อตนว่าแล้ว ว, ว่าเขาว่าท่านว่าผูาาน้นั้นผู้นี้ที่นี่ความสวยอารมณ์คนมนึกความคิดจึงอาศัยไว้ในนี้ น, นี่ความสวยอารมณ์เวทนาสุข ก, ก็ดีทุกขก์ก็ดีอูเบียดขาเฉยๆก็ดีเวทนามันมาจากไส มันก็มาจากสัมผัสตาไปเห็นลูกขอนลูกกลางๆกว่างเฉยก็เป็นสุขเวทนาคันลูกเป็นตะหักก็เป็นสุขเวทนาคันลูกเป็นที่รังเกียจก็เป็นทุกขเวทนาหูขันในฟังมวนๆก็เป็นสุขเวทนาคัดเสเเียงวอกเข่าหูก็เป็นทุกขเวทนา เชียงพ่อไผ่รอสารโสตเชียเป็นกลางๆว่ตถีวัตสุก็เป็นโอเบคข้าเวทนากินคือกันกันกินหอมก็เป็นสุกข้าเวทนาขัดจิน้นมาหอมอุจจจะิ้นอุจจระไปต้นก็เป็นทุนกข้าเวทนากินกลางๆถือไก่กับเว่าะว่าถือไกกับเพราว่าก็เป็นโอเบคข้าเวทนารดรดมากกัะทบเรื่องมันแขบมันนัว จับเป็นทุกขเวทนาขันพ่ะแส็บพระนัวก็จับเป็นทุกขเวทนาเสยเสยแทบกับพระว่าพ่ะแสบก็บพว่าหไม่มไปทั้งแสบทั้งพ่ะแสบ็บก็เป็นโอเบศทุกขเวทนากายขันกระทบกระเทือนมันหนาวเอาผ้ามาห่มเวลามันหนาวยู่ถึงเป็นทุกขเวทนาเอาผ้าม้าห่มแล้วนะ มันอุ่นก็เป็นสุขาเวทนาไงเขาไม่อยู่ ก, กลางๆห่อนกับบาวา่านาคก็บบวาวาเั่นก็เป็นอุเบกขาเวทนาทำมาล้มก่อนที่เคยพบเคยเห็นมาต่ก่อนนึกถึงอดีตนึกถึงอนุอาคตเะ ว, ว่าทั้งเห็นนึกถึงเรื่องของตาหูจมูกเลี้ยงกายในอดีตนึกถึงเรื่องตาหูจมูกลี้นงกายในอนาคตเป็นนิท่านที่รวงมาแล้วหนึในท่านที่บวามาเชนหนึ่ง นิท่านเทพบุตรเถิงมาเถิงกับแม่นิท่ า, านสุงเก่าค่ยผ่านว่านแล้วมีความหวังในลูกเสียงกินรถโผล่เะธะทำมาล้มแน่อนาคตมีความเสียดายและอะไรหรือลังเกียบแน่อดีตบารีแต่ ว, ว่าทำมาล้มที่ดวงมาแล้วเทพบุตนเถิงกับกวกเก่าหาา่างนม่รอดนี่ก็ เ, เรียกว่าเวทนาท่านนี่เวทนาทั้งหลายเนี่ยขันเป็นเวทนาธาต เ, เ, เวทน า, ท า, ทาสุขขันนี่ความสวยอารมณ์ในทางสุขก็เป็นกรรมะตัญหาขันนี่พอทายอทายาณอย่างในสุขเนี่ย เมื S <S ่ออยากแข่มันพัดภากไปหะเนี่ยขอ้อมซก็เป็นภาวะตันหานี่มันเป็นเวทนาที่พระชอบใจห่ะมันเป็นเวทนาทุกข์กก็เป็นวิภวะตันหานเพราะมีคมม้อมโมโหท้อโศมีควอมมุดยิดบ่พอใจโอ๊อยเจ็บปรหารปวดพวกนี้เพราะว่ามัเป็น ว, ะวะินภวะตันหาอันวิภาวะตันหาน ก, ก็ไม่อาจจะเป็นอุตตัดาหานฮะก็ยึดบันธือมันไหวซิ่งที่ชอบก็ยึดบันธื้บันไว้ จิงที่บุษบกับเบื่อนายมุดยึดจริงที่เป็นกต่กางกัว่างเซย ห, หายก็มาให้เป็นพบพ่อหนึ่งจรง่ได้มันชอบเขาเรียกว่ากลามาพบทีที่ประสุบกลามาพบมาตำนัดในรูปก็เป็นรูปประพบพ่อนึ่งตานัดด้คนสวยสุกทุกอเบกาตามสติกาลัางสวยซุกก็อารูปประพบพบเช่นเกิดหายขามหายเกิดทราบ ชาติไม่โยซีท่านเกิดเป็นที่เกิดในท่านกษัตร์เกิดแน่ใครกษัตร์เกิดใ น, นาเท้าในไขกษัตริย์เกิดแนพุดธขืนเพื่อเทวพุทธเทวราวิสันแนในโลกกษัตริยาา์ชาติกระเพาเป็นเกณฑเป็นเหตุจะเกิดชาติพยาติมาโสกมบิเชลทุกข์กับุกข์าราะนัอุปาหยาบรักกองทุกขทั้งหลายเกิดขึ้นในประการดพรในุทธเจ้ก็ะดับกรับอัน กันทีว่าเยนีกัวยนนีอันนี้กันรับกับรับอันี้กัตทีปฏิบัติกับปฏิบัติอันนี้แล้วัางร้านองที่เายนมาอันนี้เราไม่จะเว้นกับขึ้นเรลื่นกับลหารอาหารคือข้าวถ่อนี่เป็นอาหารของสัต์อันหนึ่พักอหารอาหารคือพัะตาตาเปิดพัดซักพัดซกับรูกหูเปิพัดซกับเสียงดังไหวซ้ำพัดกับกินลดนี่เปิด้ำพัดกับลด พดะเพาะไปสัมผัสกับกายหงุดไปสัมผัสกับเสียงใจไปสัมผัสกับสัามารมณเดี๋ยวเขาจักคุยสัมผัสโสตสัมผัสขานสัมผัสเี่ยวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสซสัมผัสนั่นเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาสุขว่างทุกขวงเวรับาก็้วนก้อนก็ได้กรนกันโยงเ่นไรนี่เขาเรีน่งคำวนนี้หนึ่งก็ะวนโยงเชงนีรก็ะ่มันงันไหมนี่ก็เกิดงนเก่าหน่อก้วนกันโยงเ่ แต่คือฮ้อนเข้าเข้าข้นใจหายใจเขาออกกันแ่ะแต่เป็นเงี้ยก้าะเพราะว่ามันเหมือนงี้ยนไว้เมองเาว่าเอ้าข้าใจเขาเป็นข้างน้าใช่ไหมขางใจออกเอสท่นีไม่จับมันใช้เป็นข้างนาข้างล่งจริงโยชน์ท่ามันยัง่พื้นสมมติถ้าหัวใโยชนน่นข้ายาวไปเชนกันคำว่าก้านี่เป็นข้างน้าแต่้าวนั่น็นมอีแต่ปข้างล่างหันน่งม่จับมันก้าวได้เป็นข้างล่งคือพันใจน่ะเขาเข้าใจว่าพันใจกอนเขา พันธุ์ที่ต่อหลังห้องกับี่ฮะนี่พันธุตทอมห้องกับนีฮะนี่แกเ้เก็บกับสือกันก็ใช้สายกวนสายรุนกันวดหน่้อยซ่ำนันแหละมีพนวตารทังสารสัดทั้งหลายมาล็อกปิดดยน้ามือนีไปสัน ม, มืองสันหายท่านน่อยคลอยกายท่านร้าย ค, อ ย, คอยเวนย้นญาดิว่าหลงความดึกความคิดจะของในวัตาทังสารนี่เห็นโทษในว่าตาทังสารจ้าสันคอยข่าสู่พันธผ่านง่ายเกิดว่าพระแม่สารไ้ก็มาเห็นต่เกิดจะแก้จะเก็บจะตาย เห็นแต่กินแต่ขีแต่แก่แต่เก็บแต่ตายอย่างเี้ยเห็นแตคน่คมปราชญ์มาแต่สมหวังตงตัวห้าห้าก็เป็นสังขารเต็มพู่มแล้วไะตัวคืคบบออะไรแต่ปวนอะไรแต่สลายกันนะของที่ห้ามเสีเอามาสมมติของหาเนี่ยเมื่อตัวนึงแควตัวนึงก่อนแก่ก่อนเยอก่อนตายมานํากระดาษอันนึงเกียร์ไงเวาหลานมาะสาร้างมาเอาขอขาดมานํ่ก็เอาโจนมาน่หรือว่าอะไรกนโจนกบมานมานะไฟไล่าบานน้ำบ้านะไฟเข้ายน้เปน ร่มามันข้าว <R ud> ันทางเราวมพัดนี้ก็เพียนค้นกับุ้นลูงชีล่ะแล้วเรียกว่าเท่าล่ะแล้วเท่าไหนเราเท่าสันเที่ยวเวียนเปือนเปื้อนไกอยู่ในวัดตาทั้งฟันนี่แหละว่าเป็นกระเพื่อนเนี่ยาท่อยากจงสอนให้เบือไนเซนเซอร์อะให้เห็นทุกพรองเขาลมหายใ่ขอออกด้วหลูก็เลยสันว่าสัน่อคนทุกได้สันให้เห็นความตายพร่องเขาลมห้ยก่ขอกแล้วหลูก็เลยสันโงจ่อว่าสันเบื่อเบื่อได้บ่เบื่อบ่นแล้วเพื่อนนี่อย่านี้ มืโตสิเพื่อในวัดตาทงสารกับอุปมาคือมูโตนี่เพื่อในหลวงทานเพิ่มมหละลุงเอ้สั่นพระองค์เจ้าคำสอนเจ้าวัดระบาดของพระองค์เจ้าสมมติอายุฟังท่านเอื่นเท่าเดยินอยู่หี้มาเนอะโรเอห้ยมาเอพอทายพี่แล้วสั่นเฮือนั่นเฮือนั่นแพ้เหี้ยม่าเหี้ยม้าลุงเอ้สั่นพอจะพี่แล้วสั่นคำบดคาสอนาวรบาดเอื่อนน่ม่มีสมเป็นขึ้น ทำใหาดังเป็นนองหัวหัวนวักตายหัหอกแบบหัเข uh ็นันแอมควบแก้ค็เก็บคนตายกับประกาศด้วยว่ามีการเล่นขึ้นเลยหวเาสั่งมาเมื่อันเท่าถึงเลยถึงควบแก้แกจังสรนี่เมือวันเท่าเลยถึงควบเก็บเก็บจังสรนี่เ um ท่าในถึงควตายตายจังสรนี่เห uh ็นผลบ้ามกนห้อสีดูดตัวบ่าูดตัวเป็นปัญหาเมื่อนี้ยใกล้สะตายก็มือเมน่นบอนั่นแต่สายก็วังขืนมาอ่านกบอกสลดดีปีใหม่อัน สวัสดีปีไม่น้องใครจะไปสไปตายก็ไปตายไมส่สวัสดีไมเสหท้ดชความสุขมันมีอย่างนี้หอกความสุขมูมี่กินลัขี่มีพี่เชื่อเทื่อนั้ น, นแต่เมื่อโตนนี้เมื่อห้าววันจะเป็นบ้าเป็นาตดอาบน้ำเมื่อนาวนะ้าพี่อาบน้ำเมื่อนาวนะเรียนสาเรียนบ้าบ่มวอวันนี้นีขีไฟเคล่อนหวคุณทานคุ้กคนใะบาดเนี้ย <c oughs> ในตําแมงว่าล้วตัวบานเนี่ยรถตําแมงว่าที่แรกเนี่ยข้า แ, แม่ข้าวเนี่ยข้าแม่ข้าวก็เป็นกะละลายเป็นน้ามันยดเดีย่ะก็เป็นอัมพุทธะเปรี้ยวซีก็เป็นปัญจาสาขาเป็นปัญจาสาขาคือจริงเลี้ยเนี่ยไงมากไงมากซ้ำใส่สประคองเนี่ยแกมากตะเพิ่มตะเพิ่มมากเลยมีเก็บมากตะเพิ่มตพิ่มากเพื่อไงทางวัตตัวไอ้ือ นวาสองเดือนสามเ uh. okay. ดือนสี่เดือนเดือนหเดือนนก็รับทุกรับทุกงินหนบริหารใจหันหนาต่อสันหลังแม่คือเร่งนี้ฝนถึงข้างๆก็นนางลงเหาข้างคือหันหนา่าสันหลังแม่คนแม่แม่น้นยกับขวมหายยังเหี้ยน้ยแม่น้ยาแม่น้านขวมจะคลองนแน้อยค่หนะคล้องันยุ่ง้งไหนแม่นอแค่งนยุ่งสี่หลมัน คนแม่ประทศไทยจะขล้องกนอเนี่ยคนท่องหกเดือนเทีบเดือนสารทุกขยอะแน่หันตนมาหันใจคนเนี่ในท้องคนมาหันใจพอเกิดมาคนเนี่ในท้องแล้วคนหันใจไม่ได้หายใจคนดำน้ํหนึ่งก็คนตายหนึ่งคนตายหนึงนน่งแล้วคนเข่าจะตุวท่าชานึงคนอยู่ในขั้นหนึ่ง คนเขานี่รสธรรมะมัดคนบหูหันใจขัดออกมาแล้วแขนทุกแข็หนาออกมาเริ่มกำมัดสว่างผัดปิ้นหัวลงมาปิ้นหัวลงมากับหมุนทวาร น, นักของแม้ออกมาหมุนทวาเรเบาแ ม, ม่ออกมาพ่อปานห้องพ่อปนันปอกสับแฉบดึงซ่างมากวะสัตว์ดึงซ่ารุดออกมากจากปองสับแฉก เป็นทุกข์าเวรทำงานเวลาปินหัวลงมาล้มพัดปินหัวลงมาปิดตีกึ่งใไรออกสักตีนเจ้ามัดข่าเนี่ยเมื่อไหร่อล้มกัมมัชระวาดปินพักหัวลงมาพระปามตกเหี่ยวเันว่าตกแก่ร้ายเลยเริ่มซาดเริ่มพบเจ้าสันออกมากถ้าเมืเวลามันดันซ่องออกมามันก็เริ่มซาดเริ่มพบจ้าเลยชื่อศาสตร์เ่อไรเป็ว่ามาเรื่องวผู้บุญรายอนี้จะเคยชื่ออ ผู้บนญล้าเองมาเข่าสมาธิสมาบัติเน่ยพลึกเลืกทังศาสต์ทั้งภพได้แล้วได้เลือกได้กับพระปานเลกได้เลือกขมาสสันแล้วมันกันเลึกได้ก็เลือได้มันก็เป็นทุกข์ขาดตัวอยู่แล้วก็บพระปานเลึกได้หัวอาจารย์บอกว่าคือเกิดว่าได้ยิ่มไม่กระคลนมาสั่งแห้งไม่กระเคลนวะยิ่มไม่ถ้าไฮเออร์เกิดว่ามันจะเกิดว่าพานสนามทุกมันมันกระเทศอนให้มันฟัง คน ไ, ได้เกิดมาหนะยิ้มมัมีเลยนี่เจ้พระองค์เก้าล่ะพ่อเกิดมา อ, อ้าอเอ อ, อ, อุเอโอเนี่ยง้างส า, าบาได้เจ็เก่าได้แก้ปัญหาประกาศพระศาสนาเจ็ดนบดนะพ่อเกิดมานะกยืนเลยแม่เขาพระองค์เก้า ย, ยืนยืนออกว่าได้นั่งว่าได้นั่งว่าได้แขนทวงเครืองโม่ห้ายืนออกยืนกลางๆออกต๊ะออกมากนเลยปิดง้าง งา น, นาเจ็ดเก่าแผ่นดินดันเสียงเสียงดินดังวันไหวฟื้นฟ้าชี่ถัดเท่าเกิดคมเจ็ดวันสาบว่านามนาตายจากนงางเฉพอะพระเจ้าชุกโลปางสีผู้ไม่บุญไม่ท่านนาห่อนนาเย็นโจละมาจากอากาศท่าน้ําห้อนคือคำประพฤติของพระองค์เก่าถืทษลมาจาทานําเย็นคือกวประพฤติของพระองค์เก่าถือประพฤติท่าคิดทุะข์ที่เก่าจังว่าสาบเป็นทุกข์ที่สุด พุกเกิดสาตร์เนี่ยมั้งเองาสตร์เปนมาจากไป ม, มามจากัจากพบเพ้่ได้เป็นพืชพันท่านญาหาระฮะมาเกิดเป็นสาตร์พบกับครื่องขี้เล็ดผู้ว่ผม้าเกิดกับคุปมูมปม้าคือเขารีบกระสันผู้ว่าม้าเกิดเรีย ก, กว่ากระนมันผู้วามาเกิดกับเขามันบรีบปนวานเสีออุปมาเพื่อให้เขาใจง่ายพระพุทธศาสนาเจ้งม้าสอนให้ท่ามีท่านไม่เชื่อไม่ภาวนาทุลอให้ไม่ขี้เดียวหวังผลทุก้วัตทั้งสารเช่นเดียวท่าน หลวงเนีอื่นเราพักถือหอใหท่านรกคาสี่งภาวนาศาสนาพุทธนี่ขันไม่เกตตหน้าไปทั้งอื่นเราพักทึกไม่เกียตหนาเพระพคททุกสิ่งเดียวเนั้นจักคอยถือจักคอยเจริญแก่จากของปาจนานมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพุ่มสมบัติพระพุทธเจ้าบริสุสธิ์ในปัจานะขันเมื่อมันบพมันไปเองผลวางใช่่าต่ปัจนะดอกพรสารมาคื่องควงข้อนควงหวยเนี่ยคำบุควมาตบยิ่งตะมืลยพระน อย่ยู่ข้เกาไม่อยู่หรอกขอสั่งผย่งม้าัวขวมันกระตกไปจากบ้านห้องจับอยู่เยีาไอยู่ของเก่าม่อยู่รอกคือข้อดานหน้าว่าสีแล่วมืนนี้วัันมันวัล้วซสาขาเนี่ยมันวแล้ว่มันกระไดอยู่แน่นอนเดชละไฮหรือเชลลงานสองงานมันกระไดอยู่มือลุ้นมันจังแล้วสันใดคือการท้าวังที่นทุบแม่ทานนี่มันมันมันบางคเมื่อฝนมันก็จะไปข้างเลยีเพริศผิดพาสีไอ้าำเมีตายอันะ มันจะพ่นบอ่บริยานแต่มันจะว่าแต่ถ้าปรารถนากับคนทุกคนว่าปรารถนาใจถึงหมนใจถึงทั้งว่าถือพระพุทธศาสนาพุ่นใจเถึงทั้งตัวพุ่นใจถึงทั้งดีพุ่นว่าอยจถึงคนห้าวห้ามไม่อิสฉาอยู่ห้าวกับผู้นึ่งใจถึงจะสามารถทํำให้ท่านคนดีได้อยู่ว่ามันอันหนึ่งกับอันหนึ่งว่าน่อยก็ลายว่ามันสามารถที่ใจถึงทั่งตั้งตัวว่างจะห้ามเป็นธรรมดาแม้วันเขียวของใจถึงทั้งตั้งตัว มันกล่ว่าอาหารประเสริฐของมันมันกลว่าของติิปแม่ผู้เผือมันกล่ว่าอาหารของมันของทริปก็คือการอ่านมันกัไปคนอันแน่วผู้ใจสูงท่าสูงจากบาลเมฆพรแก่กล้าช่าของจักเหลื่ยมใสพระพุทธศ า, าสนาผู้สาบาลมฆพระแก่กล้ามาขอบองจักเหลี่ยมใสพระพุทธศาสนาแ ล, แล้วถ้าไปหามาหาพุทธศาสนาเป็นยุทธนดวงใจของพระของมันเพื่อได้เห็นท่าสูงกันเห็นพระพุทธเจ้าใกล้เห็นพระท่ามใกล้ ฉันมาสงไก่เพื่อให้นทำพุทธันเห็นเราเนี่พุทธพุทธะพระองค์เจ้าหลวงู่มันเดินกลมกลมพระวนาพุทธะอย่างก็อาทำเดินใฮ้ยังกระดอนหลวงพ่อพุทธะเราหายไ้สั่นข้าพรเห็นพุทธเข้าวเดียวนี่เห็นเราบอหลวงหลวงพ่อเห็นแล้วเห็นด้วยใจเห็นด้วยใจนี่การรักนี้การรักนี้อากจากใจกาปัาหาอื่นมันพรเห็นได้หูวงก็ปัญหาใจนี่ก็ค่อเห็นได้สั่นท่านบอกขอเกแรง พุทธทัพโมสังโก ango, เขย uh ู่ใหญ่เขามีเสียดอยู่เขาให้เจ้ายอเนเฮ้าผสมองินเฮ้าทมอยู่เนเฮ้าสองเงนเฮาเอาไปยั่งสิบพมีศสียรักษาพระพุทธศาสนาอืมแล้วเฮ้าไปถ้าทาแต่สัวกับไม่ถึงโจนม่านสะนั่งกระซามีเนี่ยเอาเอันเฮ้าท่านี้กับพุทธะทัพโมสังโกสะนั่งกระซาเีตัวตัวนีในใจเฮ้านี่ยมันจะโยนในบดอื่นได้เดี๋ยวนี้ลงไปทั้งวันได้ยอัติเหตุอัตโตนะโทต่วนเป็นที่พึงของต่วนในใจเป็นที่พึงของใจลงไปทั้งวันเลย พื้นแห้งแท่งก็ไบดบ้หิวขขาก็ต้องกินเองหิ้วนอนงก็ต้นองนเองพระพุทธเจ้าเป็นทักษิณปะก็เลยท่งเอ้ยเพื่อข่าขอเถึงศาสนาเนี่ยนขอสชินหาเนี่นยนะเนียได้สชินก็เอา้น ท, าที่ห ล, ลวงไงนะนั่นได้ยังตัวนั่นเนี่ ย, ยจะขาดทรัพย์จะเสร็จรักทรัพย์จะเพิ่ไเพิ่มพิษได้กามจะพูดพูดเด้อห ล, ลวงไนเนี่นยไปเรียกสุราเด้นอนะอายุน้ำใจของโตอายุน้ำกายของโมตัว บ้นเพื่นจีบหอวัดเจ้าพี่ไฮ่แล้วเพื่นหอวัดเจ้าพี่ไฮ่เมื่กีวัดทันหรอเพื่นแกเอาสายไหม่็หลอกเพื่นเอาเขาหให้เห่ากันหรอเฮ้ยอยากได้พาเขี้ยนหัวโอยง่ายนะแล้วก็นั่งเขี้ยนหัวโตเยอะเลยเฮ้ยเอาทำไมวะท่านโบราณสั่นเนาะเข้าใจเลยทุกคนโธ่เมื่อไรเนาะไปพันธุ์ผานบ้านเดียวจะไปลายคิ้ว์ไปลายขี้ว์แล้วมันกลัาไม้ขี้ว์บ้านเดียวเลยฮห ว่า่หอดกระจองไว้บ้านเดียวจองไว้บ้นเดียวว่าจะจองไรบอนว่าหอดกระจองไว้บ้นเดียวหรับถ้าจจองไรบอลว่าห่างกระจองกดีกระจองเลยราว่ไอ้องอ้เพืนวัดตาสงสารน่ยกันายเพื่อในวัดตางสามันกมันเปิดประตูพณิพานเนกันเพื่นนะวัดตาสงสารเลยยังง่ท่านเปิดประตูพณนิพานวันไหนยังเงยนอยู่เห็นไถ่ในวัดตาสงสารยามเย็นทีเปิดประตูพณิพานกันจอด ขึอน้ำไล่ห้ามมวนออกจากปากของพระเชษดายอยเอามากินอีกคือเขาเย็นโผลแต่ ว, ว่าตาทางสารเล้วเขาพ่ะเชไดายยางยิ้งดีขึ้นมากแบบเย็นๆอย่างนั้นพรอบายยมุกตุกพระเภียต้องหยุดเด้ผู้ใดไปเรียนเขาแล้วบ่มีเงินให้พดเด้บรท่าตายมาก่มีกระไฟเสือให้พรไม่มีเงินเสือกกระไฟให้พระเด้พระบายมุกเรียนเรียนกันพ้ะเรียนบ้านเรยบือ่อเาม บ, บอกละ กแขงก้อนายย่างพวัเนีเอาไปแหลกวิ่นอ่อไม่เจอรวยรวยทางรัดเสียทางลัดบูออกเสียทางลัดบอกรวยทางลัดพุทธพุทธโตเล็กพุทโตฟ้าพุทธว้วัดพุทธโเบ่อเอาพวพุทธวัมทำผสมเป็นผู้เล็กแหงบาปหลายแหงเสียหลายคำว่าถือเที่ยนี่ว่าถึงเที่นามันมาเอาไปหลายของเขาเล็กบานเล็กเมืองมันมาเอาไปคือเขารักเขาศกกันละ ขุนคือได้หักควนันด้วยสมอควันเแตห่หารบพฝนตัดหวัวให้บกฝนที่เขาควบคันเสียอยังก็เสีออยบ้านเสีย เ, เย็นยมเสียห่อนนี่ก็บา้านเ่รอฝนเขากรรมนั่งสน้องไงอันนี้ทีไรสังหรณ์ผู้เจ้าเมืองก็ได้ง่ายพาดบ้านฝนเขถือคันแดมาเขถือมีแดงมาเขานีข้ารารเมืเห็นนี่เ้ยยักผกอนบไปเฮ็ดไปแฉมืหอมเล็กระต่ายตื้นมัตูม ตาต้มกตู่มเลงเห็นเข่งกบกัดผมเองดกหัวเห็นจมูมันไปผูกกอเลข้อมฝันนี่ว่าเป็นตาพิ่งเทือร่างเท้นั่นฝันได้แม่ส่างง้อควายจำแรงตื้นมาเสาขีแหงก็บบมี่นว่าอันเดียวกันเลยหรอส้างข้อพระเสียะเสียใต้สรฟางข้ฝันเสียพันเสียหมื่นฟร้าง ขวามันอื่นกับที่พายคือกันมาสร้างผ้าก็คือไปผูกเอาแล้วผ้าพวค่้นกับเป็นผีบ่าใบบอกเลกบอกพายเขาเอาสันผ้าเส้นผ่ากั้นะนาสันดานไอ้หัวล้นนะสันเพียงสันผ่าเส้นผ่ากันนะเสียหย่อนมันมันอะไดหย่อนมันเสียหย่อน ไทยมันกับพระพุทธเจ้าหรอพระพุทธเจ้าเป็นฮวนเอกเพราะแห่งปรนสจกาลพระแหงเ่ยพระพุทธเจ้าเลยแน่เลพระพุทธเจ้าได้เซฟมากเลยได้เ็ฟมากเลยได้มาสอนทองพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธเจ้าเปี่ยนกันมันงมั่งไปโมนี่โมฆะฆ่าท่าได้บดมาเดิากพระศักการเทาอะช่านนึงก็ไม่ได้ไปเป็นทาบาทละบัดไ่กินบัดรอบมึงออย่างที่ท่าน่ เดียสารวพุทธเจ้าจเทรดหามแล้วหมูห่าเรเห็นเรเห็นไพ่ในวารั้งสารเรเห็นความผิดลูกไม้คิดไส้ลูกเดียวไมาบ้านบมาไปมาวัดเปิดปตูเดียวท่น่ะเปิดปรตูจะการพระนันท่านละคิดไพ่บ้าทรัพย์สินมาย่างว่าันได้เปิดร้ายปรตูหรอกกช่วเปิดร้ายปรตูคือนาป้องง่ายๆคือหนาทังง เปิดซัปองด้ปองหนึ่งไปตักห อ, อมมาใจั่งพระท่ันมันไม่แขงทิ้งว่าจะเคยมาหอมบอจกจักรมบให้ก็บ<อ>ว่ามีหน้าก็บว่ามใคหน้ามันจีบใก่อน ย, ย่างนั่นอดอากันหมดก็นแล้วใครกแก่เก็บตายเป็นสงครามประจำสังขารชพลโลกเป็นสงครามที่มาเกยมาพลาดของชาต ด้วยอำนาจแค่สร้างกรรมไว้แต่ในพ่อ ก, ก่อนผู้ใดมีโรคมากผู้นั้นเป็นผู้เบียดเบียนศักดิแต่ชาติก่อนก็ไม่ว่าแต่ชาติก่อนในชาตินี้เขาเบียดเบียนศักดิเหมือนกันแล้วไปยิงนกเขาด้วยก๊อกเปาเนี่ยยิงเข้าที่นี่ต๊บเข้าทีนี่แล้ ว, ลวก็มาปวดเป็นโรคหัวใจออกจากทีนี่แหละอายุสิห้าปีไปยิงนกเขานกเขาทองต๊บเข้าอย่างนี้ตกก็แก๊กก็แก๊กลงมาแล้วก็ถอด ลูกอันอ่าปลอกลูกลูกก็เป่ามันก็ก็ก็ก็สองคำล้วก็เลยตายมั paint งเถอะมังเถอะมันจะว่าอย่างนั้นอ่ะนี่นี่ออกจากนี่อันนี้เขาคล้องคล้องรอเนี่คล้องรอนี่ไปเอสดูไปออกตุจจอร์ก็ยับรองนี่เ้ยนี่ยด้านข แล้วก็เป็นเวรเราเป็นเวรเป็นพานเบ็ดเราไปใสเ่สเบ็ดเบ็ดปลาไรลมากินมาลงนี่ต้องไปแวกเอานี่อยอันนี้อันเดียวกันะทีนี่เป็นเด็ดอายุ5ปีก็เอาเบ็ดไปวางไว้ที่ชานเลือนไก่เราของเรามากินที่ไก่ปักไหลทำมากินบอกเกาะอยู่ที่คอมันก่ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อมนมารดาก็บอกว่าเออ เขาเขาอะไรไปนานวนแล้วที่ตายละกูที่นี่มาเฉือนเนี่ยเขาไม่ยอมมาเฉือนเฉือนเชียก็คาบเดี๋นี่เขาเขามายัดใส่นี่เวรอันธะเราเห็นจับขาดเนี่ยเห็นจูกเวรลูกอันธะเขาเห็นเหมือนกันนี่ลูกอันธะไปจับโคช่วยเขาตัวนึงให้เ้าตอนเจ้าโคช่วยเขาที่เขาตอนมันปวดลูกอันธะมันมันกระลอกอู๊บอุ๊อ๊ กราถือเป็นของสนุกไอ้เคโลอย่างนั้นอย่างนี้หัวละมันทีนี่เขาจะแปลงพวกแปลงโสมให้มึงดอกมูตัวเสมาจอบเอาเลขน้ำเฮ้านั่นแหละมันสีสบหายตายอ่ะถือมาบอกผอูกมือผูก ค, คอยมันเอาไปเรียนเลขบัดเหนือยเล่มงแล้วบอกเมือนตัวเลนเลขเขาได้รู้ด้อบัดเามู้ตัว ต, ตายเนี่ยว่ม่งั้นเสือก็ไฟผ่า ด, ด้วยถือมาบอกเนาะ เออฮึไ ม, ม่กบเมื่อวันที่ไฟก็ไฟระพะะตายาม่ะข้าสอนใดๆในใจโลกธาตุว่าท้อาสอนพระพุทธเจออ้าห้าดอกแล้เป็นเรื่องข้นคําสอนพระพุทธเจออ้าห้ามัดคําสอนพระพุทธเจออ้าห้ามมันเปิดดิงค้าสอนใดๆทีมาเปลียนเกี่ยวคําสอนพระพุทธเจเ้ามันไปปรอดบอกพื้ว่ามีบาปไม่บุญเนี่ยเขาไปรอดว่าสั่ของันกับพ่อรอก เอออบายยมุกทุกประเภทอบายยมุกผูลวงอภัยยมกว่ามันพุ่มพระสวัสดัณฑเด้พุ่มพระสวัสบัณฑ์ว่าจวงอภัยยมุกเด้พรเสษฐาอยากล่วงคันเห็นอันนั้มันเป็นโทษคักๆแล้วพระเชดฐาอยากอยากว่ามันเป็นทางเจริญเห็นดิงแล้วว่าว่ามันเป็นทางชิบหายลงดนตรงตงๆแล้วเมื่อกษิเสดายอยากเล่ยนยังไงเห้นหามาเนี่ยคือการเห็นว่ามันเป็นทางเป็นเรทเป็นไถตรงๆแล้วเมื่อกษีเสดายอยากลวงลราเมือนเด้คือเมื่อกษีเชษฐาอยากลวงเราบ่อยเน่ยมันเข้าใจ มันหมดเป็นโทษนักก่อนทันทีนั้นเป็นโทษนักแล้วมันทาาทิพหายตรงตรมันมีสารนอท่อนแล้วมันกษิตเชไดอยากลองระยั้งกันเพื่อโทษเราไ่ออกกันเชไดอยากออกมากินมีดตะก้นมาข้ามันเห็นซัดป่านั่นนล้วจ้างมันกับว่าเดีปฏิบัตินักกันนี่แหละพวกถึงพระสวัดิบันพวกครวาสปัจจุบนที่โตฆราวาสังมันพวกบัณฑีตเป็นพวกครองเรือนเ่อเชไดอยากลงงระเมิดเสียหายังเว็ดเลยจันทร์มันพูดพระสวัสดิ์ัน นั่งเสียดาไจากในรื่องเด่นถ้าอยูบย่บอแยนวันพูดมาสัวดับันพูดมาสวดันสัวเด า, ส, ดาสัวขาดแค่นี้นสเดาสัวขาดค่ี้ไม่ใช่งูตตระกูลอันมั่งคัง่งจกตั้งนานไม่ได้พราจะถานสีไม่เสแวงเสวงหาพัสดุที่หายแล้วไม่บูรณาพัสดุที่ก้าคล้า ไม่ด้วยจากประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสตตรีระบบลุทุศินให้เป็นแม่เรือนพ่อเรือนผู้หวังจะดำรงตระ ก, กูลควรเว้นสถานสีบประการนี้เสียขอสีสําคัญตั้งบรรุทุศินให้เป็นแม่ เ, เงินพ่อเงินเงินสิบอีกหนตั้พันล้านมันก็ับไปเสียหมื่นเดียวหรือเล้วช่างโม่ของมันเป็นคนทุศินน่ะพ่อแม่สีตั้งเสียอ้อยังไรเข้าฮักลูกรักเต่ า, าเขากับประพืชตะควมดีไว้เป็นม่รดกของลงต่อเข้าไปเลีนเรียกเรายนพามันเห็น เ้าปั่นให้ปันหน้าให้มันดีพอดีศพข้าเฮื่อนนี่มันก็บ่กท่านเดี๋ยเผาห้ามันเอาไปเร่ยนเลขบัตเนี่ยตาง้อมูโตปั่นของบดีมาให้ลูกค้าร้านอือพราะเพระเพราเพราะว่าข้างลูกข้างรานมันาลูกร้านเลียนเลขเรียนพาลาเรีนบัตรเรีนเบอ ร, ร์กินเหลา้ามอยาฟาดขาง้อฟาก้ยอืมบนพเรเหตุแล้หันบนพระเหตุขาแต่ง้อแจ่กวอยกับบนผีเผ็ดใช่ไหมเหมนผีเพ็ดหรอสั่นเน คนต้มสองกีบทีหัวกันแตกกันตายไม่สนเสริมไม่จักก็ฟ่อนไล่ได้แต่ไล่ได้นะผ่านบุญบางไฟก็แม่นแล้วบางไฟ่มันฟ่อนคือไฟตีกันหัวแตงหัวตงเพื่นผานฟ่อนอะแรแบบเลียงโพดพอมลวกปูของแก่หห้อยฟ่อนกับฟ่อนได้เสือได้แม่ย่อมม่กระสุไปแล้วินมันจังได้บุญหลายตคน้อยผนยังเล็กไปอีกด้วเพื่อนกับมดก็ร้องพื่อนาจารย์ของแก่ตะเกีย คำสอนไหนมันสินเนี้ยคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มไ เ, ดเมดอกหายสิเพศน้ำไหลไฟดับจักเพียงได้ก็ตามเดออมันบัตอคําสอนพระพุทธเจ้าหรอกน้าห้อยน้องคลองบึงบาง ต, ต่างๆหลลงสู่มหาสมุทระเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็ไหลลงสูง่คําสอนของพระพุทเจ้าโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกเขาอจริงอีกเทียบเท่าทางลึกซึ่งเทียบในทางลึกซึงง่งเพื่อให้คาำหนึงน่งได้หลายทางน้าห้อยน้องคองบึงบางต่างๆไหลลงสูง่ทะเล แลมหาสมุทรโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆในตจโลกธาตุก็เป็นก็ไร้รองสูคําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกยิ่งพูดก็ยิ่งจริงเชี่ยมในทางสูงถึงฉันคิดจะมีขีดล้านล้านก็เชี่ยไปในทางที่เหมือโดยมีกลางวันก็คือชั้นใดก็ดีคําสอนใดในตรโลกธาตุก็เป็นเมงขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นยิ่งพูดก็ยิ่งจริงเชี่ยในทางสูงถึงฉันคิดจะมีขีดล้านลาน ก็เชื่อไปในทางที่เหนือโดยมีกางวันกลคืนชั้นใดก็ดีคาสอนในอะไในใจกธาก็เป็นวังขึ้นคาสอนในพุทธศาสนาโดยไม่ตัวชั้นนั้นอ๋อผสมสายอสงสายคสอนอื่นี่มาเรือนางสอนในพุทธเจ้ากาสมสายคำสอนอื่นเฉมาเรืนคาสอนพุทธเจ้าการโลกในพุทธเจ้ามันกับวาสนิพ์การโลกคาสอนในพุทธศาสนามันกับวัสนิมันก็เป็นใหม่ร้อยหน้าก็เป็นนูนปลิวไปตามลมอ๋อด่านใดว่าพุทธเจ้าก็สอนไม่หรอกบุม่ พวเขาเมีอะไรพุทธิกักขรรนพอพกาลุกพระพุทธิจักขรรนพิสิกับอาจ า, า, ารย์นะพุทธิจักขรรบดาวคำหน้าอยู่พุทธิจักขรบนดาวคำหน้าคำหน้าจ้าเลกพุกขึ้นทําการงานก่อนนายเลิกทำการงานทีหลังนายถือเอาแต่ของที่นายให้ทําการงานให้ดีขึ้นนําคนของนายไปเปนสนอเสนอในที่นั้นนั่นถือเอาแต่ของที่นายให้แม่รับจอบรักเทียงไปเลยนะ ทำการ ง, งานให้ดีขึ้นอย่าเห็นแต่พระอาทิตย์ถ้ามเมาก็อย่ามักง่ายถ้ารายวันก็กทําให้มันสมวันทํางานแข่งแข็งแข่งเวลาไม่ใช่ว่าจะเอาเวลามาแข่งงานคุณจับสวนหัวเขาไม่อยากควรจับหอมด้วยรับย่อนักเสือเป็นภรรยาด้วยไม่เดินหมิน่นด้วยไม่ประพฤติร่วงใจด้วยวความเป็นใหญ่ให้แล้วให้เเสื่องแต่งตัวภรรยาได้รับบำรุงชนี้ได้สมกงพสามี สงฆ์ผเรศน์สามีในรับภรรยาในรับรวมลงเจเน้ได้ยอมอนุเคราะห์สามีโดยศาสนาจัดการงานดีเผยกบฏถ้าเ ข, อขอากบาเทมันกบฏถือสงฆ์ค่อน ข, ข, ข้างเสียงของกัวดีเห็นท่ทน่อชองกลัวหนาบูดนาบึ้งกบฏถือกะแม่ประพฤติร่วมใจผัวหนิถึงกลัวรักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ไว้เหตุนั้นเกียนนเก่ยวกาบในกี่กทางกวน่อัวคำนี้ มีคนละหาขอปัพื้ต่อกันงทีแล้วพวกทะลาะาว่าบอย่างที่ว่าจากขาถือไรอย่างเงีบายจมกคืนเหตุสร้าง่หมาย6หกดื่มหน้าเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเล่นกันเท่านัรบคนชั่วเป็นมิตเอย่ยนข่านทำงานดื่มหน้าเมามีโทษหกแล้วทรับก่ อ, อการทะเลายว่าเกิดโรวกล้องเกรียมแลรูจักอายพ้อนกำลังบัรยาเ น, า น, นี่ยเที่ยวกลางคืนมีสทษกชื่อว่ารักษาตัวชื่อว่าักษาลูกเมียชื่อว่าไม่สสมรักษาทรัพสมบัติ เป็นพี่ระแวงของคนทั้งหลายมักถูกใส่ความได้ความระหมากมากเที่ยวดูกันเล่นมือโทษตามวัตถุที่ไปดูลำที่ไหนไปที่นั่นขับสี๊ี๊เป่าที่ไหนไปที่นั่นเพลงที่ไหนไปที่นั่นสะเทาที่ไหนไปที่นั่นเถื่เพื่ที่ไหนไปที่นั่นก็คนชั่วเป็นนักีโทษตามบุคคลที่ก๊อปนั่ให้เป็นนักเลงหญิงนั่นท่านเป็นนักเลงยุคสุรานั่ให้เป็นนักเลงเล่นการสนันนั่ให้คนเป็นคนวางเขาเด็กของกลอมนนัให้เป็นคนโกงเขาซึ่งมากนัานให้เป็นข้อไม้ดื่มหน้า เดี๋ยวทัพย่อการทะเลาะว่าเกิดโรคค่องตีเตรียมแล้วดูจักอายทางพลมงงานยาเรื่องการพนันก็มีโทษเมื่อชนะยอมก่อเวรเมื่อแพ้ยอม เ, อเสเียได้ทรัพย์ที่หายไปทรัพย์ยอมเสียหายเแบบนยังนําำต้องอิ่งเนี้ยไม่มีใครเชื่อซื้อถ้อยคําเป็นที่มีมพ์มินปรมาทของเพื่อนและคนทั่วไปไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยจะพวกชีเรกเขาบอกแต้งกันได้หรอนักปราชญ์ขเขากระปั้นแล้วพ่อแม่มันผ้าเรียนทรัพย์ เรียนเลขเรียนผ้าเรียนบ้าเรียนเบอร์มันมาทำไรทับชิ้นเงินทำเฮ้าจาจะไปเอางินแล้วอกสันอ่านที่สอนมีพันพ่ายเจาอุทาตาวินทเตอนังคนวันยอมผ้ารับได้อะบว่ามันเสียหมันว่าหมันเรีนเลขเลยมันในทางที่ชอบเลยสัมมาไอคิโอเรื่องชีวิตชอบคือเว้นจากเรื่องชีวิตโดยทางที่ผิดแม่สัมมากรรมโตการงานชอบเว้นจากตายังทุกสาม เมื่อจข้าสารลัรัพยประพฤติดในกลามเรียกว่าสมากำมันโตทางคำงานชอบบอกวัดพระพุทธเจ้าเป็นการบ้านเป็นการเมืองเป็นการแท้บุตทวดาพระอนพระทุ่ในการพระนิพพานในการพระสวันอืนครบวดนักคสอนในไรมันสิเสมอคาสอนพระพุเจ้าห้าโมมหรอก้าตายแล้วเกิดแล้วายาย้เกิดด้ายมาก็ม่ใช่ไม่หาสมุิลัยโกดธมหาสมุถ้าบอกว่าอย่างนี้จากคาสอนพระพเจ้าไย้ยงไงมัน้าเป็น้คนหนากได ว่าเหอเขาเบิงคักว่าพี่ก็น้าคักคองแห้งทำมันรกะบาลคุ้มคองโรคคองอย่างควบคลองโรคในทสอนใุฑิกาที่ว่าพพุธศาสนาบอเป็นการบานการเมืองว่ทำมันโรกะบาลคุ้มคองโรคคองอย่างคนละไอต่อว่าความกลัวต่อวาเท่านั้นจะคุ้มคองโรคได้นีนี้อตะปะนี้อดตะปะท่านปัญงาถ้าโรคข้างหลายไม่มีคนละอตยตวาาไม่มีความกลัวต่อวากดไม้กุหมูก็ทักก็พวกก็ตั้งไม่อยู่อู่ความทำไม่นำกำหนึง ก็หมที่เพิ่งพิงเองอาศัยทางความเชื่อในที่แก้งไม่ได้ก็ไปทํายทีครับนะน่้อนไมตั้งขึ้นจากลานก็ตั้งใ่ไหมผมไม่มียางอายตาบานมันกระซับเก้าทำเร็วท า, <ม>างว่าผมเขาใหญ่เนี่ยเรื่องว่าผมผมกับบัคเเชื่อความฝัแต่ผมเล็กฝันวาเรื่องตะกรอนผมกับีคอยู่ีน นม่ mm ี hmm. mm ่ความประจับใจตัดต่อมากอลยเพราะการนั้นแหละความันมาต้มผมไม่ลมจมลงอืมผันนี้ผมไดนนี่งั้งลูกผมบอกนม่แล้วตอนเล่ผมเล่ฝันว่าผมกำลังขอขอโชคจากครป็นยูนิฮันตอนนี้ความฝันมันได้บอกว่าถ้าหากว่าจะากจะมีคน ไป ห, หาคู่หาอีกคู่เด้อคู่ดอย่วยวางวว่าคู่ไนน้ำย่อยอาะาที่บอข้างงเจ้ า, านี่จบโยู่องเงบบอกเคย ไ, ได้ยินจักเกอร์ครับผมเลยถามชาวบ้านว่านี่อยู่ัดนยอยวัดเซิงวันหล้งู่ีนี่แหัะพรน้ำย่อย เล่ากบหนี้คู่กบผมจะบอกใหีนี้จะเกี่ยงตรเปรี้ยงปลากตัวม า, า, วากคารวะมากผมเล่นใหมากปลาเพีย้ยงงูผูคอบัดคอเบ อ, นะ อ, อย์ะจักนิจักทีหรือทีเหลือมันติดข่อยูยข่อยขี่สมายสมายตอนนี้สมชัก นายอยู่ละเอีดนี่้ลกสี่ข่าวขนมาันหนามาลุง ป, ป, ปูเหาข้อป่วยว่าปุ๊กเค้กว่าหเรียนเลขน้าประเฮดได้ลูกได้บไรเ่าสันขันลูกว่เรีนเลขทักี่ปีห้าปีเั็กันว่มีเงืนไขแต่ว่าขีกเปาะคอจะได้ ว, ว่าสันวัติอาอยู่นี่ันมีัตสิตายก้อนเมื่าสันขีน้ได้ตังมยามึงห่าสันสี้้ังผัวมึงกับลูกมึงเองสันอย่ า, ย า, าปากลอยท่าสัน ว่าเ้าห้ยบอกทุกป่านก็นเศ้าแล้วลูกปูไว้พี่สันหม้ออะไบ่อเหรยจักเถอบหม้อหน่อมาได้ข้าดำเฮานี่เราหมอเศ้าหม้อเป็นเช่นน้พ่อพอเราพม่ า, ม า, า, กกาลูกภูกรเทกรอดกี่ดังยังหลอกเึืของเพาส่นัวผมี่ยกี่ดังยังหอกโตไปภูออที่ผาใบบ่อเยอะนี่เรห้วยลูกศิก็ได้อีกพวกนึงเลยูกภูพี่สันจะเ็นแมงหลาเลยคัดก้อยบ่อเนี่ยไปกให้สออะไรตั้งเขาบ่เสียสัน พระ菩พระเศียรทเศีะหันนวลันเนาะหัลกเขากรันมันจะมันจะตัวคนเนาะแนวถึงเหลือครบพุทธมาแสบปูยักษ์ลายแต่าคนตพเท่าไหร่หลวงปู่บนเพิงพระพุทธพระธาตุพระสงฆ์เนื้อบนเพิงเลยโป่งแอเนะครับป่เพินะครับเลปัจจันที่กับเล่นโยอครับแต่ว่ากับ่าหลายที่บาดที่บาดแต่ก็ก็เป็นหลังทำมันได แต่ว่าไม่เสลงคุนเ ع, นเป็นทเนเะป็นเงิแล้วมันจะสงสัยว่าฮามันได้อยู่ก็เรียกว่ามัดกับมัดถึน้ำเห้ควกไอุ้ยบ<ะ>นับรองอยู่คำามสงสัยว่าฮามันหาสิได้อยู่ังสิก็เรียกว่ามันเห็นดิงถ้ามันเห็นดิงต้องไปพัป้งเชไหมมันสะเสียดายอยากเล่นเห็ดยั้นไงวะาพราะฉะนั้นใครละเกลี่ได้กมันก็ยากตายแล้วยอพวกผู้คนเหมือนกัน ฝาหน้าที่บาได้เนหน้ากามิเอซูระมุสาเซซระมุนคนเหนว่ามันมุ้งนี่ไปหมดจักเม็ดเพืนี่ยเพ่นก็เลยไปเสียดายเพ่นรักษาสินเพื่อนหได้งานเลยว่ามันสีเฝอจะขึ้นตั้งคนคุ้มนักโทษห้องเศ้าเรียนบื่อห้องก็สีแดงเฝอจะขึ้นคุ้คุ้มคุ้มคุมนักโทษเนีมันวางแผนเห็นโทษมันคักหล่อ้องก็เข้าเือนกันคือไฟห้างไปจับมันมันไหมเนี่ยห้องว่าว่ากูย่าดกู่างกูย่าิกูไปไปจับไฟอีกเขากับวันเดียวเนี่ยเขาว่าเสียดายอยากจับเขาสิย่าน อันนี้คืก อ, ค อ, อกากูชนน้าอ่ะเอาแล้วแล้วอู้นี้เราสูคห้าเชีย ก, กูไปเอากินนงน้าขึ้นเอกก็สว่าสันเหมาะนักใจว่าสัน้นาว่เสียลกอะไรมันกับเพราะมันบดิง้งมันมันปัญญาบุญนี่ที่เรียกเสีละได้จากตอนไรกกับตอนปั ญ, ญาเนยมัน un, เสีละคนตัวใดตอนแรกกับตนปัญญาโมมันสมาธิหัวต่อเนี่ยสมาธิหัวต่อหนึงเขาไปหาเรียกเลยเราไปหาเราเรียกออกทีออกตัวใดเสียเนีสมาธิหัวนนต่อหนึ่งมันสมาธิเกี่ยวกับปัญญาไม่ได้เป็นแค่นี้ ว่ว่าเขาเรื่องนี้่าเฮาจะเต้นฮอดพ่อหมนโลกคนถ้ามันขาดไปแล้วมือเฮาไม่มีพิษอย่างมือมือลงมือเฮาหนุ่มเฮาผมมือเฮามมีผิษเฉียวมือเฮาผมมีแผลเฉียวผิดมาใส่มันมันบวกเข่าได้ไงมือเฮาหนักหนักนักหนแต่ผูกก็าเรียกว่าไหนเจ้าซีบัติวาได้หันนั่นซพติวะายได้นันเจ้าเจ้าผบอกว่าของแมงวัน ขันไลกี่ยว่าเาบาต่อปะขันไลปาก็เหมือยับพุ่นผมไเกี่ยวว่าเขานี้แต่มาเกี่ยวว่าเกี่ยวีไม่มีแม่เมื่อกี้นเี้ยงวานไรท่านึงไปตอบั้องแมว่านมันกรใจถงทัานกินกินเกสรดอกไม้ก่อนนกยังเถึงถึงว่ากจทยเงเงเออแม่ว่านกินเวารก่สนั้นคือจนจึ้นอเขาเลมืออแล้วปให้คะแนนเขาโลดกระามเขาบ้างนาแม่น่ะ เออกระถือเงีหงเลี้ยเสียไปหลายล้านนด้เเขาบอกว่าท่านนี่ผู้ใดผู้ใดไ่มีผู้ใดจะก้นแด้หันเลยเก่าเออเก่าถือว่าท่นอันก้นที่เสียเราพันบาทเสียเราเมื่นนี่เสียไปเมื่อนับต่ว่าท่าน่ะคืออีตาหักขอน่ะอีตาหวขอเนี่ยเป็นนายผ่านนี่บ้านขอกางน่ะปีนั้นนา้ฟานตหนึ่งนายฟานตหนึ่งไปนั่งทั้งกองใหม่ไปจอบ อันซุกมันมาได้บพรวาอันุกจิตก็ไม้ตายไงเาจะไปมันได้หรอวันเนาะมันจิตก็ไม่ตายมันบอกปัดปีปัดเดือนปัดชั้นปีที่ปีเลยฟันตัวนึเอามาว่าสาันล่ะนี่ี่กับตัวขี่ก็ไม้เันึไปแล้วมึงได้ตัวไมาน่ยเหนตัวไหนตัวดีตัวเด่เนี่ยใมตเด่นท่านขีไหมตัวเดกับตัวเล่นหมด่ะเล่นทานหายอืมถีบฟื้นใช้ไฟเพื่ออะเอารดกอนขึ้น อ, อีฝอยแม่กูเอ๋ยในจี่แล้วมันจัาขีได้มันก็นมี่ตะกีเท่าว่านานแล้วสวนมไม่หวานเข้าไปเพิมโทษาพระพุทธเจ้างูก็เข้าอะไรเข้าไปเลนเ็กพระพุทธเจ้าห้ามแล้วมันบ้าฟังมันแปลว่าเสียงพระพุทธเจ้ามัมีของล่นพื้นนีเข้าไปเลนเล็ๆๆๆๆพพเก พ, พ, ลพระพุทธเจ้าบอกว่าชิหายนานอยงมันีสารมา่นพูดได้ไปเ็ดแต่ิหายสัตนี้ีเข้าไปเล็นอสัี้วีก็เข้าสี่รง ม, มี่เจพระพุทธเจ้าเออสวนบุ้ยผู้ชิหายเพาแม่กักเ้เห็นคนชิหายเต็มโลกแล้เนี่ยเสมอีน เพื่อได้ปากออกว่าม so ันมีธนาขั้นมีมันไม่จักสีมีมันก็มาจัดเลขท่นเนีจักรบะยุกข่าเนี้ยมันไม่จักสีขายให้ขาหน้าให้อปุนนี่สูก็มาจักรบะยุกท่นเ้วตัวรัฐบาลก็บโหเมพิ้งสมอนีรัฐบาลก็รัฐบาลสีเลรัฐบาลผีบ้าอวนสีดอกบกเพียงเพียงสีหลมาขาก็สรางหัวมันย่างไรก็สอนัก็ตายต้นองมสิเละ เนี <t> ่ยเนี่ยจิตปฏิโยธิว้าวให้ถึงจินทั้งทรรมฝันเพิ่นอากทางหน่อฝันมันกบมดับสวนทางเท่าเออมัดสวนทางเนยเท่ากรมาเท่าเป็นพระสังฆาลเท่าจิตปฏิข่าวประหารขุน่าและธรรมติหาผู้ออกกฎหมายเหมนหาหมให้ยเรื่องเลยพระอวบายนุ่มี่สไดตัดถิมมัดลงบ่าลงบ่ามากถิมมัดขึงม้วนขึงยังถูกฟาดลงทะเลกุล เราใช้รถน้องคนนีอะแด้วัดสาบัิ่จ้เชื่มินเ่อมจะไปเล่นกันนะฮะวัดสถบันนั่ห้าดิตั้งงคือมื่กสลากก่อสากิ่งใช้กันที่ว่าวยุ่งกันกอยรวไปกที่ก่อากัน้เทไกินที่แตกขยัอของเขาเรื่องเขาเลียวตาเขาเลี้ยวถนนมันม้วี่ประโยชน์เทาสี่เลียวขยังเขาบนฝีป่าเขาพาดกินขี่เข้ากินบ่แต่สอนพูดมาได้เาโตชตัวนเอาเถอะ พ่อภาพเป็นบ้าเฮาจะเปล่นเฮาก็่เป็นแม่ภาเป็นบ้าเฮาก็จะเป็นบ่เป็นยังพ่อแม่เป็นบ้าเฮาก็ม่เป่นแล้วสร่างโม้บหรอเปลี่ยนมาไปดเลยสมัยสมัยนว่าไปในประเทศเอาโลกไรเทศเราจะของเลยสมัยสมัยออเียดของอันนี้มานี้เป็นยัง่นก็มาบ้านเฮาก็เฮาจเท้เฮาไปเที่ยวภาคบ้านไปเที่ยวทางเทศด้วยง่ายมาอ น, น, น, นั่นเขาถองผูกอเล็กเนี่ยร <laughs> ้อนใจะไรเสร็จเมื่อเลี้ยหอเกิดท้อพันธิราชที่ผู้ถูกเทศธรรมหายไดเสิต า, ายบาด้านหน้ไปผูกอเล็โ ก, โโลกโอ้ยผูกกับบ้าเบื้อนี้เออเฮ้ ผู้ทุ่มเททุ่มเทให้ให้สงสินส่งสมอ่ทุ่มเทกันสิตายอะไรผู้เล่นคนน่าไปผูกเอเล็บมันจะไกลแต่หนอสองเกืงนับมือเจอหน้าผาไกลกระโดดเข้ามือกูอเห็นเพื่อวานอ่นเมื่อวานคนหนอนิดดีสหายดีตอนไหนดีก็ส่งเสริมตอนไหนชั่วก็ขีดกันพอดีแม่ดีผููดีอาจารย์ดีตอนไหนทําถูกก็สุงส่งเสริมตอนไหนทํานผิดก็ขีดกัน จะทำชั่วก็ค่อยตามจะทำดีก็ค่อยตามต่อหน้าว่าสารเสื่อลับหลังตั้งินตาไม่ใช่พ่อแม่อันดีไม่ใช่มิตรอันดีนั่นทว่างได้สั่งข้าสน้พุทธเจ้าเป็นพ่องข่ำเลยทุกทุกสมัยชาโลมันตากฎหมายอะไนั้นมันีเกี่ยว่าพุทธเจ้ามันก็ไปเม่อไรล่ะมักแก่เพิ่งไหนอย่างข้าวเพิ่งมาถือว่าออกกร่าเห็ดเหโรคเหเล่เห็ดการพนัน กุ้งายห้องหามอ่ะมันกู้งลายกับห้องหายแล้วมันมันไถกับห้องหาล่ากับห้องหาเจ๊กกับห้องหเเข้าอัสนนมันที่เพิ่มเขาก็เก่าเนี่ยมาเอาว้ทำไมเจ้ามาเห็นบ้างทำไมเออนล้วแล้เขากระหอมก็หนีจากประเทศเขาเนีหันนี่นีี่คือกวดเขาตะปองใกล้กินแดอย่างกินแดเสียบัดหคือมันจะขีดขู่ขีดขู่บัดขึ้นอย่งนี้มาันกันสางหอกพรว่าตุต่บาดเรื่องขวัให้ให้เจ้า ยัดทิพย์ะไรหรอบาทเด้งคนท้เยจอเต็มระชาไปื่อนน้ก็มาผลนี่พ่านขวงไหนอีพ่ออีแม่กูเอ๋ยอีพ่ออีแม่กูเอ๋ยของเท่านี้ละเม่อไรคาสอนของพุทธเจ้ายังเป็นโรคกุตระขวงข้างหน้าจางฟางนู้นเป็นโรคกีรยะโรคกุตระอันนี้โรคกีรโต้งโตงโรคกีรย์ซื้อแคบว่าโคก็กีรโรหมอนหกสั่ง่มัน่มันโคกีนะอาบาย่มุขามุขขาแระว่าะกิ่งไม้ึ่งนาทปากตัวยันมุขาไห เออบ๊อบไปและวออเนื่ออกบ่กขึ้นทั้งใช่ทั้งปกนเข็นสอบแล้วสัมมาทิฏฐิเขนสอบแล้วสัมมาทิฏฐิในสัมนตนคือสัมมาทิฏฐิพระโสดาบันสัมมาทิฏฐิในสัมกลางคือพระสัจธรรมข้ามีอำนาจข้ามีสัมมาทิฏฐิในสัมผัยคือพระรหันสัมาอนุตสมาญาณะในพระรหันลุกคนโดยเช่นเชิงเลย วิมุตของพระสวสดาวันรุษโทษเป็นเอกเทศสกทาามีเอกเทศอนาขามีก็เป็นเอกเทศพระหันวิมุตมดแล้วเียนจบไตสมจบนโมพระหันนโมพระลหันว่ามันนโมเรกนโมนโมพระสดาวันก็ว่ามนนโมเรกนโมพระนะโมวัดนโมเบือนโมวัดนโมน้อมเพื่อพระนิพรานโมพระสวดาวันบที่โตฆมาวาสังนทิพเป็นทุกองเรือนพระพุทธเจ้ามันบนวันทิพย์ทองเลื่อนเนพวกเรียเนพระวันทิพเป็น ผู้ท่าไม่ฆรวาสชีพหายท่าไห่มนุษยบัตรผมบอกของฉันว่าเรามนุษยบัตรเกิดตอนกฤยบัตรกับพวกมีบัตรจาเก่าห่างมีผ้ามีวัดรจำเก่าห่างมันมันมนุษยบัตรเลยเอาไปยังมากมนุษยบัตรเอาสักพัการ่องพระเจ้าเฮาเมื่ไปโลกธาตุเนี่ยชีวะยอมใช้พระเจ้าเฮาสีวย่างช้พระยาเฮาเฮาปฏิบัติการสิทิคอลังของเฮาส่วนปฏิบัติดีดีก็ได้บัตรที่มันจะใส้กระสางเข้ามาตื่นได้ครับ แม่กวนอินกวนแอมเนี่ยฮามาตื่นหรอกาหารกี่กกกี่เสนนี่เขามาตื่นขึ้นมือตัวหรอกมือตัวเนี่เขาตื่นไปหาแกะเขาบอกไปหาแกะไม่แค้นก็ไปหาแกะเห็นก็แค่นน้าเลยพวกนี้บ่าเฮ้ยรู้สือพิมพ์เขาเห็นร้บ่าคนที่ชุดก็ลัมาให้ดกบัวเขาจะไต่หน้า ทีนี้บาดสักเพียงไรที่เป็นจรงแมันว่ายูเสมอนามมันจะขาดทีไม่เชว่างเลยดอกบัวที s, <S ่เราไมมีูุ้ <camb> ้กอดอกบานกบานเตียนผุ่มดอกูมปับูมเตียนผุ่มดอกเสมอ้นากัเสนาบเสมอนามเตียนผุ่มดอกไตน้ากับไต่หน้าเียนผ่มเขาจะเป็นดอกบัวสั้นไรที่เป็นดอกบัวก็ไต่น้ามนก็เป็ัจากหน้าแบนี่ไก็ยาวเต้งขยักเป็นดอกบัวเสมอหนาแล้วเป็นดอกบัวตูมใชไมดีร มี่พุ่มพ่มจะอะไรบ้างนี่กรางะถาดอกบานกระถาเตลียพุ่มคือคนผลก็ไปแล้วคนก็ขึ้นดอกตมก็ยังนี่่ามีก็เล่ขึ้นดอกสมอหนังก็นี่ยง่ามีก็ล่ขึ้นดอกใตน้ก็ีย่ามีก็เล่นขึ้นดอกบัวเจลาก่้อนเจลากร้อนนะม้ข้มาพนมัดโลกเจลดอกไม้ข้ามาเจลาผลมันสวยงามฮะงระชังนี่ดอกตูมมดอกบานไปแล้ว มันจังจดีเวยเมื่อเฝ้าพ ร, ราะพุทธเจ้าอยู่บ่เห็นพ ร, ระพุทธเจ้าเฝ้าศาสนาตายฆ่าศาสนาเมื่อเห็นศาสนามันกำบวยยอมแล้วใจถึงทั้งผิดบ่จักถึงเน้อใจถึงว่าไรศาสตร์ไรภอยากใจถึงทั้งถึกยังจักใจถึงทั้งสัมมาทิสติใจถึงทั้งมิสาทิฏฐิมันใจถึงว่าเางยางยแล้วไราตร์ไแล้วคนเท่าไม่อิสระเท่านั้นนี่อิสระทุกท่านทุกคนบน่ได้มีอิสระแต่จิต ท, ที่ทำส่วนนี้อิสระที่ทาดีกว่านี้ มันไม่มีอิสระต่สิเล็กเลัอิสระที่เร้าเบิ้งก็ที่นี่เยอะแยเนี่ยมองสันว่าเม่กี้หสูบยาเมอรลสามซากสามซมาเป็นโลกหัวใจนียที่เวลาตี่ยนแูเฮงไนที่เศ้าได้หะ่แล้วเร้ามันีอย่างยังสูบเป็นสูบเป็นมาทาเศ้าเศ้าว่าเปลี่ยนสว่าสมีปัญญาอยงไรเนี่ยเขาพกสูกยังเขาเป็นมาท่าออกออกก็เปลี่ยนสิว่าสมีปัญาไรเ ไม่่ um, mm. let, ่เาเมนะไได้ท <hand plain ly> yes <oth> ่าเลยยกก็บายก็ไปแค่นกเล้ยตัวว <high ketchup. S 2> ันายังมันล้ยมาต่ยักษนะเลขกับบ้าเรเลยักษนะเหลาบบ้ากินเหลายักษนะสีพาดกับมันกันตัวยักษนะมือกระมือนตาสันตัวยักษนะงอกับตุ๊ปือขว่นสลาดกันตัวมันไม่ใ่นบวกงอบวกหลงกับันช่างบอยน่า่ไป เขาเห็นเขาลงหนังสือพิมพ์ ม, มาอ้หนวางคงคนฮะมีเงี้หลายล้านเลยไปเรียนแกเล็ไปเรียนแกเล่มีเนี่ยูเนี้กินลุงอาบน้ำกันแลยเด่นลงมัดตัน่อลงอาสาบนมันบ่มีเนี่ยพัดเนี่ยทายปืนืนปืนปืนไปทางไหเขาก็สั่งมีเงินหลายล้านเลยเรียนเลข อ, อาจารย์เลข อ, อาจารย์เยกมันเทสผู้ได้เทสว่าดีคุพ่อกรรมมันก็เทศให้ยุ่นดี จีว Vega, ่าง่ายำแล้วคนเขาจำมัน human, una, ปเป็นนักเทพเอตตัวให้เป็นสารไตสวนเป็นสารพัดสินตัวหนอืงเป็นสารอายการเป็นสาออำเภอเป็นสารจังหวัดเป็นสารดีกาเป็นสารอุทรรย่หันครบเหมือนารตสินใหมกจำแล้วคนเขาจำนังคิว่าจำแล้วคนขาจำตรงนี้วะจำมันเพื่อที่เข้าสิบปดันยัดแล้วจดีมากกว่าถือวนพื่อทังนั้นก็ได้ันนันพืดทางคิ้สายแท่เข้ามาสิบแปดมันยัดแล้วมันสือได้ยังไงแต่ยังมาเพื่อทานคิ้สาย เหตุการ์จุดหายผู้หวังจเอือเฟื้อผู้ปิัตไ่เห็นเหตุการ์หมประการไม่เสียงเนี่ยพูดจากยืนยันขาเดียวดิ้นหมดความขีห้ารักอะไรเห็นไหาจะไปได้ยี่่อยี่แม่กูเอ้ยเห็นใจไหม้าพ่อ่องครอบครัวห้าได้แหงขาม้ากาขามนี้ตอนเรียเรีย้าเนี่ยาหดเนี่ยโหเรื่องนี้มันมา้องกินห้อง มุ้งตัวมาขั้งข้อม้าวข้อกับภาสีพระพาณังสามารถพานังที่อาติให้ทานอะไรก็ไม่เท่าให้ําเป็นพันให้ําเป็นทานชนะทานถ้าปวงมุ้งตัวเขาเป็นคนที่เขามุ้งตัวข้อสุขเทียมมันมันต่งเลือดเขาท่านน้ำติดเลือดเป็นก้อน แต่คพระพุทธธรรมพระสาขนต์มุตต่อหมายถคา่าออก้าเขาไปเขาใส่ใจเมื่อเดียดคนพระพุทธธรรมพระงอนามตมาไม่ได้ทุกศาสนาทกทั้งแต่โลกธาตุตาฝายตาขอโหติกรรมชิงกันมแยกกันมี้ดจงเมืองมึงอย่มากญาตไม่มีเลี้ยงิไม่มีไผ่ผู้เกิดในขันในไทยในชาวในทยน่นเกิดทุกข์เกิดทุกมานาขอเป็นนิเป็นหายขอไปจากเล่นไยอยึดจงเมือปูขาดจอดขาดเ็นหญ่เป็นใหญ่จดีดาบตเ่าเู้เขมีพาดคนจากทุกน้ำตาต้องราน ทุกสนาอยู่ทุกอยู่ทุกมาบ่มีประมาณก็ขาดเถินอนัรเนี่ยเอาและจำอยู่ก็เรียนนี้สีพทุกเท่าถ้าทำวัดก็ทั้ไใจโลกธาตุโลกวันี้ได้ในไพกันเนียวเมตตาหวงอล่าท่านไม่ใช่ยังงี้เหนไม่เกิขึ้นกกระถดจิตปัญญาของตัวขอมุนถ้ากระถจิตปริญาติใหเรประมาณเรนน่ะอยู่หันบอกดูสร้างพระเค่อสในี้คนคนจะเร่นกระดุานดัวมาบ่มีประมาณก็ขาดเถิน โยนสีทุกคนหน้าจอมันชุกได้พุทธคงสงฆ์อยู่ทุกวันเถ่อนนี่เลยปล่อยเล่นปล่อยไฟลาลังเ ล, นลเ่นราไฟหลังบรรทุกได้พุทธคำสงฆ์มันมัมันบรรทุกไหลังเลยบรทุกได้โล ก, กุตตระเย้บรรทุกโลกีเด้นะปล่อยด้องเถื่อนต่อ่ ะ, อะเอาัอากอาจะให้จะพยมถทาไมขันพอได้บ่เบิงบง้งก็จะเอาไปทั้งขากันเอาไว้ตายพวกอื่น เอาไปละอเอาไปหลายพันนาะงมิจเจงวดมิจเจเอามาได้ใส่เลยมันจะรักเจ้าไปเรี่อยๆอ๋ออะไรอย่างเงี้ยมันถึงมารอเอาเงินเกาเข้าไปเลยนี่บ่ได้เนี่วะสิเอาเพื่อนให้เขาทราบข่าวเจ้า่เอาเพื่อนให้เขาคอยกับเจ้ากับป๋ากันสั่มเท่าหรอวะสิแล้วเอาเพื่อนให้เขาเข้ากระดีใจอย่างเงี้ยเพราะเขาจะพุ้นมากนี่แค่มันมากก็เขาไม่เห็นจะเชื่อหรอก อยนพามันเงี้ยเงั้ยขาเรามาสาคัญว่าส่วนลุงชือขาขาตัวดาวหว้ว่าจะปากศีกเข้ากับบะเสือยได้เหรอบวกนักบวดบวกเอ้กันหนาวเพรานเราคุ้งหงายใหกับบเสือยด้ทีเดินไปกรมพราว่าหน้าจะพมองานเศ้าอี๋ยงนั้น้าเป็นงองมาสร้างอดอาหารเป็นคุนขนคุ้งวนลงตสรางแข็วจังแบบนี้านานมี่ใจปรพัดประทัดดีกว่าเจ้าฮะก็นี่ ยา่าขายเชอมาหารยา่าขายมนุย์ยา่าขายสัตเป็นเนื้อสตว์ุี่ต่าพอเจนอาหารยา่าขายน้ามายาฆ่าขายยาพิษเรี่ออันนี้แต่ละห้างเร่มเลยนั่นไม่ได้ยาพิษธรรมดาแล้วเอสพิษ้ิษยาฆ่าขายเชื่อมอาหารยา่าขายมนุษย์ยา่าขายสัตเป็นสตว์ที่ตัวฆ่าอเ็อาหารยา่าขายน้ำเมายา่าขายยาพิษ นั่นนี่ลักตรงนี้งนี้่าใช้จ่า เราต้องพูดว่าสูตรยาตั้งแสี่แางานนี่สูตรช่วยสูตยาเอาได้บุญอะต้องพูว่าะรายนมอสเราเล่าระวัติประเทาเราว่านี่ว่าขายเยอะมากเลยนี่ราต้องไจารณาหน่วั้นเขาจะวาสตรยาเขาจว่าสูตยาเท่าไหร่แค่นตัวเ่กหา้อสูยานมีสูตรยาตวบักิงตักตัวบักสายก็ดี ช่ยยากวจะตรวจจะเสียบกดออกมาใช่ไหมน่ครับบัคือคือมันจะสักลล่ายี่เ้กับบคืออะไครับความนักค น, นักทีมากบุ <c oughs> ๋นว้ามันม่มีเขาอะไรใไมน่แล้วได้สักมีหรือเ่บักมอเขาบอกให้สักนนนะบักได้กันงั้ <c oughs> บ่ได้กันงั้เขาว่ามึงน่ะด็ นกเคื่อนคนี้เงี้ยจะซักเตรียมเตุปะซับไย่งนั้นเอนข้าวรต่ไมกเคลือนข้ไม่เงี้ยปุแล้วบางข้าหลังแห้งคือคนนี้หกรรฐานเดิมก็คือพระอาจารย์เดิมก็คือพระพุทธเจ้าองค์เดิมก็คือพระธรรมองค์เดิมก็คือพระรยาสงฆ์องค์เดิมก็คือมอได้หลกเดิมไม่หนีจากเดิมไม่หนีจากอันเก่าเรียกอมังค์กรรมฐาน อิมังก็แปลวันนี้ไม่ใช่โนโยนอิมานนี้มันอยู่ไกลอิมังกรรมฐานังอิมังก็คือนี่คือกรรมฐานเดิมทิ่ตั้งไว้ในสติในปัญญาที่จ้องดูกันอยู่เดี๋ยวนี้ตั้งไว้ในที่นี้วานเหวไว้บนหนึ่งไปง้มป่าบนหนึ่ ง, นนงมันกับว่าพ่อป่าอวานเหวไว้ง้มเหว่เถิดแหวป่าก็อยู่ในเหว่ พิชณาในสกุลนาฬกายพระไตพิรกไปแปลว่าสามกายว่าใจใจพระสูตรก ER ็ม vale. ีสามสูตรของกายสูตรของว่าจจสูตรของใจพระปรามัดก็มัดเขากายมัดเขาว่าจจมัดเขาใจนี่ว่าเป็นสามว่าเป็นสองว่าเป็นหนึ่งว่าเป็นสองกับสูตรของกายสูตรของใจ พระเวนยกายพระเวนยใจพระธรรมพระปรมาตมัสเขากายเขาใจสูตรว่าเป็นสองว่าเป็นหนึ่งพระเวน่ายกมัสพระพระเวน่ายกเรียกว่าปรมัตมใจพระสูตรกับสูตรของใจพระปรมาตมกมัสปรมัตมใจพระเวน่ายกับพระเวนยใจทุกเรืงก็รยูวแหงเดียวกันจะย่นอันหนึ่งก็ย่นมัดย่นพระสูตรก็ย่นย่นมัด ยนพระสูตรต้องเป็นสองยนพระเวน่ายต้องเป็นสองยนพระปรมัติต้องเป็นสอ ง, องเท่ากันยนพระสูต ร, รพระเวน่ายพระประมาติต้องเป็นหนึ่งยนน้ากันมัดกันขยายก็ขยา ย, ย, ายน้ำกันมัดมันกับพระสงฆ์ทั้งทั้งย่อและขยายแล้วคือเสือเกเส้นเดียว น, นั่นแหละเท้าขึงไปย่าวยียดไตโรคกระท่ากุลเท้าโค้งว่าสาว่าสาว่าก็เป็นเสือกกองเดียวอยู่บนใจอยู่บันเท้ากอง ถระพุ่นยนต์หลวงมหาเอกคุณนเอกคุ่นนะปฏิบันคือคุณนพระพุทธธรรมประสงค์อันไนด้ได้ใรโลกทาตมันเป็นเมืองขึนของคุ่าพระพุทธธรรมประสงค์วัดขั้าสอนสอนในใจโลกทามันก็เป็นเมืองข้นคําสอนพระพุทธธรรมประสงค์วัดงามหอยน้องข้งขง อ, องเมือ ง, อ, งอง บ, งบางไหลงพ่ทธมหาเทวดเรพบโดยโบ่หลุตัวคํ า, าสอนของปทมาทั้พปทเจ้า คำสอนใดๆก็ไร้ต้องครูข้าสอนธรรมะสมุทรเจจาโดยว่าโดดั่วคือกันวัดเถวในทางลึกซึ้งเถวในทางสูงเข้มทิศแถวในทางล่าๆก็ตามสี่ไปในทางทิศเหนือโดยว่ามีกระเบนกำังขึ้นบม่พูทได้บังคับน่กเพราะวามจิงในตอนนี้วันนี้จะข่มจิงเพามีกระเบนกำลงขึ้นกางสงสัยว่าข้าสอนใดๆมันเหนือข้าพสอนสมุทรเจ้าเนี่ย การ น, นับถือกดีพระพุพทธเจ้ามันกับพระล้มธนิษฐ์ดิเขามาตัวไปตัวไปทานนั้นก็ไปน้องเขาหมดเรื่องเปิดอเปื่ยเนี่ยศาสนาดันดีลักที่นั่นดีนักที่นี่ดีก็ไปน้องเขานักที่ใดสิดีปันนัยก็ตามสู่ข้อสอนของเมื่อพระสมานพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ท่านผู้พ้นไปแล้วท่านรู้อดีตตามเป็นจริงของอดีตรู้อนาคตตามเป็นจริงของอนาคต รูวมปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันแต่องค์ท่านไม่ได้ติดอยู่ในงานทั้งสาม